สุทาวาสก็ไม่ใช่นิพพานเป็นพรหมโลกโลก็นนั้นก็คือเ พ, พราะผลยังพระพรหมสุทาวาสไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเพราะสุทาวาสจริงจริงก็ทุกขสัตว์นั่นแหละเป็นทุกขสัตว์นั้นในสุทาวาสจริงๆก็ได้สัจจะสามทุกสมุทัยมรรคพบสามเนี่ยนะโดยเฉพาะตั้งแต่สุคติขึ้นมาได้สัจจะสาเท่านั้นนะจะไม่มีนิโรสัจจะอยู่ในนั้น เพระนิ่รสสัจจะไม่ใช่ภพสามเป็นปฏิบัติต่อภพสามเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทําให้แจ้งพระนิพพานก็อยู่นิพพานก็จะเรียกว่าอยู่ในมนุษย์ก็ได้ทําให้แจ้งพระนิพพานในเทวดาหรือในพรหมพระนิพพานนี้ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยตรุงแต่งจึงไม่มีรูปร่างสันฐานเป็นต้นไม่ใช่นามไม่ใช่รูปอะไรที่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครหลอกว่านิพพานเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มันเป็น รูปเสียงเปลี่ยนรถเป็นพบนะให้รู้ว่ากําลังจะถูกหลอกแล้ว น, นะคือถูกหลอกนอกาศาสนาเรานะแต่าศาสนาอื่นเขาก็สอนอย่างนั้นอยู่แล้วว่านิพานนี้เป็นดินแดนแห่งหนึ่ง น, นะถ้าเราจะสอนว่านิพานเนี่ยเป็นเป็นพบเป็นเมืองเป็นอะไรเนี่ยนะสอนเรื่องสวรรค์ก็พอแล้วไม่ต้องเอานิพานมาสอนหรอกเพราะว่มามันจะเสียหายมากกว่าจะมีคุณเพราะว่าตัวสวรรค์ทั้งหลายเลยเนี่ยนะ จริงๆอ่ะที่เรียกว่าขายนิพพานในยุคนี้ก็คือขายสวรรค์นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าไปบอกว่าสวรรค์นั้นคือนิพพานกล่าวตูพระพุทธเจ้านั่น น, นะนนถ้าท่านนี้ถ้ากล่าวตูพระพุทธเจ้าก็ตรงนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่มีโทษละนั่นนะเพรา ะ, ะนิพพานนั้นก็ฟังกับฟังกับบรรลุถ้าบรรลุแล้วจึงพิจารณาได้จึงจะมี ปัจเวกขาาณะยานได้เพราะจะต้องคนที่คิดกลับกันกับกลับกันทั้งในทุกข์กับสมุทัยเพราะนี่พระนิพพานไม่ใช่ทั้งทุกข์และสมุ ท, ทยัยทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง น, นะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ชอบทุกขสัตว์สร้างความหวังเพื่อทุกขสัตว์ไม่ได้รังเกียจตัญหาเลยอยากคิดเรื่องนิพพาน่ะมันดีที่สุดถามว่าทไม คิดยังไงมันก็คิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ที่จะไปแต่อย่างนี้อย่างเดียวนะจะให้เขาคิดกลับมันไม่ใช่ฐานะใช่ไหมไอ้คนที่มุ่งจะไปเนี่ยยังไงเขาก็คิดเรื่องกลับไม่ถูกหรอกคือในในอย่างที่กล่าวว่าจากการได้ยินได้ฟังรู้แล้วว่าธรรมชาติของพระนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราจะคิดธรรมิพรนิพพานนะต้องคิดเรื่องทุกข์ แล้วน้อมไปเปรียบกันเช่นว่านามรูปเป็นของร้อนพระนิพพานเนี่ยไม่ร้อนอย่างมากก็ได้อนุวัตเปรียบเทียบได้แค่เนี้ยแต่ว่าโหมีอารมณะปัจจัยสอดส่องไปคิดแบบพิจนารณาพวกนี้ไม่ได้ในในในบรรดาทุกขสั์นี่นะทุกขสัต์ถ้าบอกว่าเออเป็นอุปาทานขันห้านี่ยัง ก็ก็เข้าใจนะพอมาเป็นโลกธรรมแปดก็ดีนะอาหารก็ดีเนี่ยโัวชักยากหนึ่งนะครับก็ทำไมมีประโยชน์ยังไงพระองค์จริยได้เอาโลกเนื้อโลกวิทีเนี่ยโลกเหล่านี้มาแจกแจงมาเป็นเป็นสิ่งเดียวกันได้เคยเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันนะนะแต่ถ้ารู้จริงๆถ้ารู้อันใดอันหนึ่งมันจะรู้ทั้งหมดด้วยถ้ารู้จริงนะ คือถ้าเข้าใจคำว่าขันห้าจริงเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดเลยจะเข้าใจทั้งทั้งสิบปดดังจั่งตั้งอหนึ่งถึงสิบแปดังกล่าวเลยเช่นนะมาดูว่ารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปประขันนี่ดำรงอยู่ด้วยอะไ ร, าารกระพะลีกระาหาน กะพลีกราหานเวทนาขันนํารงอยู่ด้วยภาษาหา ร, าาหารการเกิดในภพใหม่พวกนี้คือ เ, าาเป็นพวกมโนสันเจตนาหารตัวสังขารขันเนี่เป็นมโนสันเจตนาหารตัววิญญาณขันเนี่เป็ น, น, ต, นาาตัววิญญาณน า, าหารอยู่แล้วเนะพราะฉะนั้นขันห้าเนี่จะย่อมาให้เหลือสี่สประการก็ได้ แล้วพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามคือสุขทุกและอุเบกขาถ้าขันห้าอย่างดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขใช่ั้ยส่วนไหนเลวเมื่อไหร่นะทุกทันทีถ้าปานกลางทั่วๆไปอุเบกขาทั้งก็เวทนาสาม แล้วถ้าย่อออกมาอันนพวกนี้ก็เป็นรูปที่เหลือก็เป็นนามก็เป็นนามแต่ทุกส่วนทั้งหมดต้องดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอันนี้สัพเพสตาหารติติกาคันห้าเหล่านี้ถ้าแบ่งไปแล้วก็คือเป็นภายในทวารหกใช่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคันห้าอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ตากลากับสีเป็นรูปขันความรู้สึกที่เกิดจากการเห็นเป็นเมทนาขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันภาษะเจตนาสัญญาเป็นสัญญาเป็นสัญญาขันสังขะที่เหลือเป็นสังขารขันเพราะนั้นก็คือขันห้าประชุมในทวาร6นั่นเองขัน5้าในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจ ทีนี้พวกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี ah <S <S ่ยนะมันมีการเกิดที่แตกต่างกันบางพวกนานาโนเนี่ยนะปฏิสนธิร่างกายที่แตกต่างกันใช่ไหมพวกขันห้าพวกนี้นะร่างกายที่แตกต่างกันปฏิสนธิที่จิตที่แตกต่างกันนี้พวกหนึ่งพวกที่สองนอร่างกายนี่แตกต่างกันปฏิสนธิที่จิตเหมือนกันเช่นอบายร่างกายนียแตกต่างกัน แต่ว่าอุเบกขาสันติระาเหมือนกันบางพว ก, อ, กอีกอนอร่างกายเนี่ยเป็นรัศมีเหมือนกันเช่นพรหมโลกเนี่ยนะแต่ว่าปฏิสนธิจิตต่างกันบางพวกมีบางพวกมีวิจารบางพวกไม่มีวิจารเนี่ยนะที่เหลือก็เป็น อ, ออพวกนี้ก็คือเช่นพวกพรหมชั้นชั้นเวหพลาพรหมเนี่ยพวกนี้จะมี ปฏิสนธิจิตที่เหมือนกันร่างกายก็รัศมีเหมือนกัน น, นะที่เหลือก็เป็นอากาสารนันจายตนะวิญญาณนันจายตนะอากินจัญญายตนะาฉะนั้นโครงสร้างทางปฏิสนธิจิตก็แตกต่างกันก็แบ่งก็คือขันห้านั่นแหละที่มันหลากหลายเป็นไปโดยประการต่างๆสเสร็จแล้วพวกนี้นะอย่าง การปฏิสนธิแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมที่แตกต่างกันเลยเช่นว่าถ้าเกิดในอบายถ้าเป็นนรกอย่างเดียวก็โลกธรรมประเภทไหนมาต่อด้วยโลกธรรมประเภททุกทุกใช่ไหมถูกเขาชมหรือถูกเขาด่าถ้าเขาจะด่าอะไรเขาจะเอาสัตว์ในอบายมาเปรียบใช่ไหมอันนั้นเป็นลักษณะนินทาไปที่ไหนนะโอ้โหทั้งงูเลื้อยไปที่ไหนนะเสื่อมยศหมดเลยนะพวกแตกหมดเลย เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกพบเหล่านี้นะมันเป็นที่ตั้งแห่งโล ก, กธรรมที่ชัดเจนเพราะโล ก, กธรรมทั้งหลายมันลงที่ไหนลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์ก็อยู่ในเป็นสิ่งที่วนๆเกี่ยวข้องกับกับขันห้าแล้วแบ่งตามภูมิเป็นที่อยู่ก็เรียกว่าสัตตาวาสเนี่ยนะถ้าแบ่งตามที่อยู่ก็นับตั้งแต่นรกถึงเนวสัญญา ะนะก็ก็เป็นการเอาสิ่งเหล่านี้มามามามองโดยแง่มุมต่างๆเพราะจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมสิ่งเดียวกันแต่แต่ถ้ามาแบ่งแล้วมองโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยถามว่าปัญญาจะเกิดมากขึ้นใช่ไหมเพราะวัตถุประสงค์ของการจําแนกทุกข์สัตย์เพื่อเป็นอารมณ์ของตัวที่ต้องการจริงๆคือตัวนี้ตัวปัญญาตัวนี้ถ้ายิ่งจําแนกมากเท่าไหร่ปัญญาก็ เจริญเท่านั้นถ้าไม่จําแนกเลยก็ทื่อๆ อ, อย่างเนี้ยอย่างอย่างสมมุตินะถ้าเราลืมตามองเห็นเฉยๆนะถ้าเราคิดถึงว่าพวกนี้ดํารงอยู่ด้วยปจยัจจัยทั้งหมดก็ตามนะที่เราลืมตามเห็นปับ๊บทุกอย่างดํารงอยู่ด้วยปัจจัยหมดอันนี้นะีคิดแบบไม่ง่ายเลยนะสองย่อไปก็คือ น, นามกับรูปตากับสีเป็นรูปที่เหลือเป็นนามหมดเลย แบ่งเป็นสามสีสวยๆเป็นที่ตั้งแห่งสุขสีที่ชักดิ้นชักงออยู่ต่อหน้าต่อตาอันนี้ทุกใช่ไหมถ้าสีธรรมดาทั่วๆไปก็อุเบกขาทีนี้ในส่วนของตาในส่วนของสีนะัมันอยู่ด้วยกับพลินกระหานใช่เวทนาอันเนี้ยสุขทุกเป็นต้นนี่ดารงอยู่ด้วยภาษาหานถ้าวิบาก ก, บ ก, บกรรมชรูปดำรงอยู่ด้วย มโนสันเจตนาหารเนี่ยนะแล้วก็นามรูปพวกนี้ยเป็นปัใจจัยให้แกวิญญาณวิญญาณเนี่นํามาซึ่งนามรูปเนี่ยนะวิญญาณนํามาซึ่งนามรูปแต่ถ้าแบ่งไปแล้วก็คือขันท่าแล้วขันท่าไม่ได้มีทวารตาทวารเดียวมีทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและท ว, วารใจแล้วไม่ใช่เราคนเดียวนะมีสัตว์อื่นๆอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยนะซึ่ง เป็นแดนโครโจรแห่งเราทั้งหลายถ้าเรายังไม่พ้นนะจะต้องโครโจรไปตามนี้แหละโดยมากก็อยู่แถวเนี้ยนะเนี่ยอันนี้ระดับจตุทชานอันนี้อาก า, าราอัญจายตระนะพวกระดับสูงๆไปก็ลดๆๆนะนะ้มีอะ่ะทวาว่าไปเนี่ยเป็นการแบ่งบ่อยๆจำแนกบ่อยๆเนี่ยนะทุกขยานของทวาว่าไปย่อๆพวกนี้ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของทุกขยาน ญาณในทุกก็จะได้มีการพิจารณามากขึ้นแต่ที่แสดงอย่างนี้เหมาะกับพวกไหนพวกบิปัญจิตันอยู่กับนใยยะบุคคลเนี่ยนะคนฉลาดมากจริงบอกแต่ไม่เที่ยงก็พอแล้วนี่ถ้าเห็นพวกนี้ไม่เที่ยงนะเบื่อนายแล้วก็พ้นทุกแล้วก็อันนะนคนฉลาดจริงๆก็จะฟังอยู่ไม่มากอย่างภาษารีบุตรฟังไม่เยอะอะไรแต่บุคคลอื่นนี่ ทีกขาดีกนิดน่งอาหารไอ้โลกธรรมแก็พวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมแปดดังกล่าวไปไงว่าอย่างเช่นว่าถ้าพวกอบายโลกธรรมฝ่ายไม่ดีเนี่อรับหมดเลยใช่ไหมถ้าเป็นระดับพรหมโลกไปแล้วเนี่ยโลกธรรมฝ่ายดีนี่รับซะส่วนใหญห่ถ้าเป็นมนุษย์อะกลมุ่มนุษย์ก็รับทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยชัดเจนทีนี้ถ้าโลกธรรมฝ่ายดี มากเท่าไรนะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเท่านั้นโลกธรรมฝ่ายเสียหายมีเท่าไหร่นะทุกขสัตว์มันจะมันจะชัดเจนขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นภูมิแห่งโสกปริเทวะทุกโทมนัสทั้งหลายนะ่นคืออบายเนี่ยอบายเนี่ยอยู่ที่นะก็เนี่ยเต็มไปด้วยทุกโทมนัสและอุปายาตก็ไม่มีใครมีโครงการเลี้ยงอาหารยุงบัางเลยเนาะอะไรนะ เพราะฉนั้นถ้าว่าโดยว่าโครงการเนี่ยให้ทานยุงนะสุนัขเขายังมีตั้งโรงทานบ้างเลยไหมยุงนี่ไม่มีใครคิดว่าน่าจะผลิตอาหารเลี้ยงยุงในโลกมีมี ม, ม, ม, มอ่านใต้ข้างทางมีแต่ร่วมกันฆ่ายุงกําจัดยุง <c oughs> นั่นแหละทำให้เห็นว่า โ, โหพวงรันจริงเขาก็เดือดร้อนนะ <c oughs> แล้วใครที่ไปเกี่ยวข้องกับยุงก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันยุงมันเข้ามุงและไล่ ส่วนเกี่ยวกับอริยมรรคเนี่ยนะโดยเฉพาะตัวมรรคศาสตร์นั้นเราไม่สามารถเอามาพิจารณาตรงๆได้แต่รู้ว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆพิจารณาทุกข์กับสมุทัยมากๆตัวพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาก็คือสมมะสชนะใช่ไหม ถ้าเป็นปริญญาเขาเรียกว่าตีรณะถ้าทําอย่างนี้มากๆจะเป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคเองนั้นอริยมรรคนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอามามาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นนะเกิดยากยากเนี่ยนันก็พิจารณาพวกนี้เป็นตีรณะสัมมาสนาพิจารณารายก็พิจารณาทุกข์กับสมุทัยนั่นเย พิจารณามากๆ ก, ก็เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าพิจารณาอย่างถูกต้องแท้จริงจะต้องออกจากทุกข์กับสมุทัยได้โดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็สําคัญที่สุดก็คือตรงที่ว่าเนี่ยตีรณะสัมมาสนาเอามายําได้แค่ไหนเลยทุกข์กับสมุทัยอันนี้คืออะไรตกลงจริงคืออะไรที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละ ทุกขสมุไทยนะเอามาพิจารณาได้แค่ไหนแค่นั้นเองก็อันนี้จะโตทุกขโตเป็นต้นเนี่ยแจงรย์ก็สอนสาธยายวัละกี่ครับยังไม่ได้สาธยายเลยยังอ่านพระไตรปิฎกไม่จบก็เอามาใคร่ครวรบ้างเนาะส่วนที่เหลือท้าบรรลุ อารยมรรคไปแล้วเนี่ยนะจะรู้เลยว่าพวกที่มีปัจเจกขณะญาณเนี่ยจะรู้ว่าทุกขญาณเนี่ยเขารู้ตัวทุกเนี่ยเขาทําปริญญาไปแค่ไหนแล้วสมุทัยเขาละไปได้แค่ไหนปัจเจกขณะญาณเนี่ยเป็นตัวบอกหมดเลยถ้าถ้ามีปัจเจกขณะญาณของทาริยะบุคคลเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกโดยเฉพาะในอบายกําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทัยประเภททุจริตสามเนี่ยนะทุจริตสามที่เป็นเหตุแห่งอบายก็ทํา ปริญญาเสร็จแล้วเงี้ยด้วยอำนาจของโสดาปฏิมักที่ที่เป็นตัวเข้าไปทำกิจปริญญานั้นปัจเจคขณะยานก็จ ะ, ะรอบรู้ก็จะทำกิจไป ปกติพอพูดถึงยานทั้งหลายเนี่ยนะก็ค่อนข้างซบเซาหน่อยนะเพราะพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยมีก็บอกว่าจริงๆนะของดีๆทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดสิ่งที่เขาไม่ค่อยมีนะเป็นสิ่งที่ฟังยากยากทีนี้มาดูโดยปฏิสัมพิทานนะถ้าแบบปฏิสัมพิธานะ ปฏิสัมพิทานี่เป็นชื่อของปัญญานะทุกขสัต์นี้เป็นอารมณ์ของอัถถปฏิสัมพิทาสมุทัยสัตเป็นอารมณ์ของธรมมปฏิสัมพิทานิโรธสัตเป็นอารมณ์ของอัฏฐปฏิสัมพิทามรรคสัตเป็นอารมณ์ของธรรมปฏิสัมพิทาผู้ที่สามารถเอาอริยสัต หรือผู้ที่มีปัญญาสามารถเอาอริยสัจมาแจกแจงได้ละเอียดพวกนี้ก็มีนิโรธิตปฏิสัมพิทาผู้ที่มีความสามารถในญาณทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะพวกนั้นก็มีปฏิภาณปฏิสัมพิทาคำว่าปฏิสัมพิทานี่เป็นชื่อของปัญญาเนะเป็นชื่อของปัญญาพันทุกขสัจเป็นอารมณ์ของอาธธาัฏฐปฏิสัมพิทาสมุทยัยสัจเป็นอารมณ์ของ ธรรมะปฏิสัมพิทานิโรศสัตว์ก็เป็นอารมณ์ของอัถฐปฏิสัมพิทามัคคสัตว์ก็เป็นอารมณ์ของธรรมะปฏิสัมพิทาในถ้าคิดอะไรอริยสัตว์คิดได้ไม่มากก็มาดูคิดแบบอุปมาก็ได้เปรียบเทียบว่าทุกสัตว์นี่เหมือนของหนักพาราหเวปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักอะนะตัวก็หนักไม่หนักไม่รู้นะ พมาแบกหกสิบเจ็ดสิบกิโลมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยหนักมากเลยนะอืจามินิดแบกมา ก, กี่กิโลแล้วตอนนี้แบกแปดสิบห้านะย้ายไปไหนก็แปดสิบห้านะหนักหรือเบาอะไปที่ไหนเคลื่อนแปดสิบห้าดุมดุมดุมดุมไปเนี่ยนะโอ้หนักขนาดไหนนะแต่ละคนเนี่ยย้ายกันมาตั้งนานนะแบกกันมานานอ่ะนะตัวน้อยแบกน้อยตัวใหญ่แบกมาก แต่ไม่ไม่ถึงขนาดที่คุณชาติวิบูลเล่าให้ฟังนะเราว่าโหที่อเมริกามีคนหนึ่งมันอ้วนมากอ้วนจนขนาดว่าออกประตูบ้านไม่ได้ทุบฝากำแพงออกมากรางั้นทีนี้เอจะออกไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วยกก็ไม่มีใครยกขึ้นเอารถไอรถยกของเนี่ยไปตปยกออกมาปรางนั้นสามร้อยกว่าปอนนั่นก็ เอกสารกระสอบกว่านะก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดนั้นนะแนตะ่ากายของช้างกายของมา้าของควายเป็นต้นก็หนักขึ้นเองนะทุกคนนี่แบกขันท่ามันขันท่าคือของหนักอ่ะนะตัวน้อยก็แบกน้อยตัวใหญ่ก็แบกมากอ่ะนะแต่ว่ามันแบกๆเหมือนกันอนะ่ะขันท่าเป็นของหนักเน้อเนี่ยนะในตอนมีชีวิตนะก็หนักเนี้ยนะถ้าบอกว่าถ้าคนเดียวกันนะถ้าตายนะั้นน้าหนักมันเพิ่มได้ยังไงไม่ทราบ ม, มันจะหนักขึ้นเลยแหละเนี่ยนะ ถ้าถ้าอย่างเป็นๆอยู่เนี่ยนะคนเดียวแบกไว้นะถ้าพ่อตายไปแล้วเนี่ยแบกหนักขึ้นไปเดิมนะเพราะวา่าโยธาตมันลดลง่งไหมเตโชธาสมันไม่ก่อย ม, มีนะมันก็เลยหนักขึ้นหนักขึ้นก็บางนั้นตันหานี่เราก็ยินดีที่จะแบกไงไม่เคยรังเกียจเลยนะจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นตันหานี่ก็เหมือนกับการถือของหนักหรือแบกของหนักมนแล้วนิโรธสาาัจจะนี่วางอะนะ คนที่ชอบแบกเนี่ยนะฟังไม่ออกแล้วไอ้วางเป็นยังไงท่า น, นก็ต้องใครที่จะเข้าใจนิโรศจจะได้ดีเนี่ยนะคนนั้นจะต้องมีความรู้สึกว่าการแบกขันห้าเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆ น, นะนก็ภาระหรือไม่ภาระก็ไม่รู้นะตื่นเช้ามาแปรงฟันล้างอาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็ภาระในการบริหารฟันก่อ น, นยอาบน้าก็ล้างกายมีผมก็สะผมย้อมผมเป็นต้นเนี่ยก็ผมเกี่ยวกับเรื่องผมอีกแล้ว แล้วก็หาผ้าให้มันนุ่งอีกนะสีนี่ถ้าไม่มีลวดลายมันไม่ชอบดูหน้าตาเนี่ยหูก็เหมือนกันเนี่ยแค่เสียงถ้าไม่มีโทนดีๆมันก็ไม่ชอบฟังอย่างนะั้นบริหารยานะ่าขนาดบริหารตาหูจมูกลิ้นกาเนะคิดไปคิดมามันก็ยังสะดุดทางความคิดเลยใช่ไหมว่าหาเรื่องให้มันคิดกว่าจะถูกใจนี่ก็ยากมันขันท่าเนี่ยภาระมากเลยนะบริหารให้สุขเกิดตลอดก็ ยากเดี๋ยวก็ทุกมาเบียดเบียนอีกกําจัดทุกเพื่อจะได้สุขอีกกําจัดไปกําจัดมาทุกกว่าเดิมอี ก, ก น, นะท่านก็ขันห้านี่ก็หนักจริงแต่ถ้าคิดหนักอย่างนี้จึงจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านวางเลยนะเมื่อใดที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละขณะนั้นเรียกว่าวางของหนักแต่นี่วิธีวางล่ะวิธีวางอันนั้นแหละเป็นอริยมรรคนะนี่นะทัานวิธีวาง ขันห้าเนี่ยถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้นะแค่ไม่จับมันก็ปล่อยเลยใช่ไหมแต่ขันห้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะมักแปดนะจึงอยาวางได้นะถ้าไม่ครบแปดแล้วมันไม่วางอะ่ะไม่ยอมปลดยากมากเหมือนกับอะไรแกะเปล่งอ่ะนะแกะหัวมันเกาะท้ายแกะท้ายมันเกาะหัวเนี่ยนนะี่ก็อย่างงี้แหละเราคิดนะเอามาันนะว่าอมันของหนักนะขันห้าเนี่ยทีต่อไปก็ตัว โรคก็ได้ทุกขสัตรเป็นเป็นโรคสมุทัยศัตร์เป็นสมุธฐานของโรคหรือเหตุของโรคนิโรสัจจะก็หายโรคมรคศัตร์ก็เหมือนกับเพศัชหรือยารักษาโรคเนี่ยนะถ้าใครขันห้าคิดขันห้าว่าเป็นโรคบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็คนนั้นก็มีเขาเหมือนกันัว่าจะหายโรค แต่ว่าสําคัญว่าตัวเองไม่เคยมีโรคเลยเนี่ยเสียนี่ยไม่รู้จะรักษายังไงพอไม่อย่างงีก็ไม่ น, นําไปสู่การรักษานี่ยนะก็ไม่ได้เคยคิดว่าขันห้ามันเป็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เคยคิดว่ามันเป็นโรคอะไรเลยเนี่ยนะสมุทรันอเหตุของโรคก็ไม่ค่อยสนใจอนะพอไม่ค่อยสนใจเนี่ยหายโรคมันจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดถึงยาแล้วอ่างว่าแพงบั่งอะไรบ้างจริงๆก็ชอบโรคกันแไรเนะี่ย นี่มาดูอีกในหนึ่งถ้าใครที่ขาดแคลนอาหารเนะ่ไปอยู่ที่อดอยากกันดานหิวนานๆเนี่ยทุกข์สัตว์นี่เหมือนกับการขาดแคลนอาหารเอาเอางี้ก็ได้นะมือไหนที่มันกินเกินเวลาหน่อยนะมันเลยเวลาหิวหิวหาร้านไม่ได้สักทีเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นอาจจะเห็นชัดว่าเออมันทุกข์จริงๆแต่ถ้าเป็นแค่ว่าอุปมาเป็นของหนักนะตอนขึ้นเขาอันนะนน่าจะเห็นชัดเลยนะ กุมชูหนักไหมตอนขาขึ้นไปหนักทุกวันเลยนะพ oh. <laughs> ุการนหนักไหมตอนที่ไปขึ้นยอดดอยปรงตอนนั้นเลยเขามายัางหนักเลยนะเดินขึ้นพุการทธนัตยังขึ้นไหวเลยแข่งมากน <laughs> ยอดดอยอ่ะนะ <laughs> <laughs> คุณภานหนักไม่ที่ขึ้นยอดดอยพุทธบาตตากผ้าวนะันนั้นไม่ค่อยหนักนะเออแก่ง อ, อไม่ค่อยชันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเลยไม่ค่อยหนักถ้าพูดถึงพวกขาดแคลนอาหารเนี่ยนะก็ใครเาอดอดหน่อยหรือว่าไปในที่ที่บางแห่งที่มันไม่มีอาหารเลยนะอันนั้นก็รู้ทุกจริงๆแหละส่วนถ้าแบบเปรียบเทียบแบบประเทศที่ขาดแคลนอาหารอย่างประเทศอัฟกานิสถานเนะนี่ยนะฝนฝนเข้าแรงหลายปีติดๆดกันเนี่ยนะ แล้วก็ยังมีสงครามอีกนะแต่ฝนมันก็แรงมาหลายปีทํานาก็ไม่ค่อยได้หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเสงครามเข้ามาอีกท่านก็อันนี้แหละสมุทัยเนี่ยเหมือนกับฝนแรงเลยแหละส่วนนิโรศะก็เหมือนกับอาหารที่สมบูรณ์ส่วนมร ก, ก็เหมือนกับน้ำฝนหรือถ้าใครที่เป็นคนมีศัตรูเยอะๆนี่มีคู่เวรเนี่ย คเวรคนเวรก็คือเจอเมื่อไหรก็ทะเลาะกันเนี่ยนะตีต่อยกันเมื่อ น, นั้นแหละนทุกขสัตว์เหมือนกับคนมีเวรสมุทัยสัตว์ก็เหมือนกับมูลเหตุแห่งเวรก็คือคนที่ทะเลาะกันก็ต้องมีเหตุใช่ไหมจึงทะเลาะกันนั้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาททุกขสัตว์นี่มันทะเลาะกันนยตัวทุกข์จริงๆริอะนะขันห้าเรานะอยู่มันอยู่นิ่งๆอย่างนี้อย่าว่ามันสมัครสมานสามคัคคีนะ สามคัคคีกันหรือเปล่านั่งอยู่อย่างนี้มันกัดกันเร่อยมันทะเลาะ ก, กันบางทีนะอยู่อยู่บางทีท้องมันยังร้องเลยใช่ไหมมันทะเลาะ ก, กันเองมูลเหตุของเวนส่วนนิโรสัจจะก็เหมือนกับการถอนเวนมรรคศาสตรก็เหมือนกับอุบายใช่ไหมเจรจาสงบศึกเหมือนกับการเจรจาสงบศึกกันนะ ถ้เกี่ยวกับเรื่องเวรก็เปรียบเหมือนสงครามก็ได้นะสงครามอย่างงี้ยนะมูลเหตุให้เกิดสงครามสงครามสงบอุบายสงบศึกเนี่ย น, น, นั่นเป็นมัคคสัพว์เนี่ยนในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอุบายสงบศึกมันยากอะเพื่อ น, นคนมีเวรนะเอะคุยให้มันสามัคคีกันเนี่ยคุยยากไหมทะเลาะ ก, กันแล้วเนี่ยที่จะให้มันเข้าหากันรองรองกันอะไรกันเนี่ยเรื่องยากมากเรื่องใหญ่มาก ปัญญาธรรมในบรรดาสัจจะสี่ปรการนะสิ่งที่ยากคือมัคคสั์เน่ายากมากหรือเหมือนต้นไม้มีพิษก็ได้ทุกสัจเหมือนต้นไม้มีพิษสมุทายสัจเหมือนรากของต้นไม้มีพิษนิโรสัจจะก็เหมือนกับการถอนรากตัดรากถอนรากมัคคสั์ก็เหมือนกับอุบายถอนรากนะนะอุบายที่จะกําจัดราก ขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยเหมือนต้นไม้มีพชษใช่ไหมแล้วรากของขันห้าคืออะไรอวิชาการตันหาเนี่ยเป็นรากแั้นถ้าถอนอวิชาตันหาได้ก็เรียกว่าถอนมูลรากได้ส่วนอุบายถอนรากไงนะคิดยังไงจึงจะหมดตันหาในขันห้านะก็อันนั้นแหละเป็นเป็นอุบายละเ่นะเป็นวิธีการ มันใครที่เข้าใจวิธีถอนถอนฉันทราค่าในขันห้าคนนั้นแหละเข้าใจวิปัสนาแ ล, ะละ้วล่ะเนี่ยนะส่วนอีกในหนึ่งท่านบอกว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนว่าภัยภัยนี้แปลว่าน่ากลัวเนี่ยนะภัยก็คือความน่ากลัวสารพัดน่ากลัวเนี่ยนะมันถ้าเห็นทุกขสัตย์เหมือนกับภัยหรือก็สิ่งที่น่ากลัวสมุทยัทยสัตว์ก็เหมือนกับเหตุให้เกิด ความน่ากลัวมูลก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความน่ากลัวส่วนนิโรสัจา ก, ก็เหมือนกับความปราศจากภัยมักษัตริ์เหมือนกับอุบายบรรลุความปราศจากภัยเนี่ยนะก็ทํายังไงจะหมดภัยสักทีนึงนะถ้าเปรียบเทียบอีกในหนึ่งนะว่าทุกข์สัตย์เหมือนกับฝั่งในฝั่งในก็ต้องแบบสงครามเยอะๆนะก็ฝั่งนี้ฝั่งที่มันเดือดร้อนฝั่งกันดาร สมุทยัทยสัตว์เหมือนกับห้วงน้ำใหญ่นิโรสัจจะเหมือนกับฝั่งนอกมัคสัจจะก็เหมือนกับความพยายามให้ถึงฝั่งนอกเขาบอกว่ามีพวกอบพยพเนี่ยนะพวกพวกกลุ่มอบพยบเนี่ยที่อบพยพจากประเทศพวกฝั่งพวกอิรักเนี่ยนะประเทศอิรักประเทศอะไรเนี่ยประเทศอัฟกานิสถานมันก็ลงเรือเพื่อที่จะไปขึ้นที่ออสเตรเลียนย มันก็ไปใช่ไหมหลายวันนะักว่าจะถึงนะไงงั้นไอ้อยู่บนเรือนี่มันก็อดอยากในชะ่ไหมไปถึงแล้วออสเตรเลียรับขึ้่อนไหมไม่รับไล่หนีเลยนะไล่ตะเพิดหนีเลยอะ่ะโอ้ยแรงน้ําใจเหลือเกินคำว่างั้นเขาปนกั น, กนมันก็ก็คือฝั่งประเทศตัวเองมันสงครามไนงะฝั่งอัฟกันเนี่ยนะฝั่งอัฟกานนี่สถานก็สงครามอิรักมันก็ มันก็เดือดร้อนก็นี้จะไปอยู่ไปเลาะจะไปขอพึ่งออสเตรเลียเนี่ยสงบสงบ ส, งบสหน่อยเดินทางก็อดอยากหิวโหยทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆที่ไหนไปถึงเขาก็ไม่รับซะอีกเนี่ยนะไล่หนีเลยก็ตะรนหลบไปหลบมานี่หลบมาที่ไหนยังมากก็ามาอินโดเนี่ยหนีมาอินโดนีเซียมันจะไปต่างอะไรจากประเทศที่ตัวเองมาสักเท่าไรเนี่ยนะวนไปวนมาก็อยู่อย่างนี้ ถ้าหากว่าคนที่ที่มีมรสุมชีวิตมากๆแล้วคิดไปไปพึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะจะเห็นชาติเลยข้ออุปมาอันนี้สำหรับคนที่เหมือนกับว่าเห็นภายในในฝั่งที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะแล้วอพยพไปเนี่ยซึ่งไอ้ระหว่างทางไปเนี่ยมันมันเดือดร้อนมากพูดถึงมีตอนที่ไปอินเดียเนี่ยไปอินเดียครั้งที่แล้วเนี่ย ช่วงเช้ามืดเนี่ยนะเอ๊ะทำไมคนอินเดียมขยันจังนั้นเราก็มาคิดในใจนะตื่นตั้งแต่ดึกตีสีเนี่ยตื่นนะบอกโอ้หทำไมเขาขยันจังเนอะตอนหลังทราบข่าวว่าจริงๆไม่ได้ขยันอะไรหรอกมันกำลังอบพยพกันน ะ, อะตอนที่ที่นั่งรถจากท่ารถแล้วมาที่นารันทานเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยน้าฝนตลบไปหมดเลยนะ จะมีแขกทั้งจูงลูกจูงล้านแบกของมีเกวียนมีอะไรเต้นถรุงพรังไปหมดเนี่ยนะรถเราก็ฝนคลุ้งไปหมดอะตอนหลังก็ทราบข่าวว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนยากจนที่ไปขอเช่าที่นาทำไปขอเช่าที่นาทาเสร็จแล้วพอทาก็จะต้องแบ่งประโยช น, นย์ให้กับเจ้าของที่ดินเนี่ยนะอาจจะคนละครึ่งก็ได้เนี่ยนะคนละครึ่งแต่ภาพปกติถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยคือ เจ้าของนาจะได้หนึ่งส่วนคนเช่าทําจะได้สองส่วนถ้าเป็นประเทศไทยนี่ยอินเดียไม่ทราบว่าจะคนละครึ่งหรือเปล่าแล้พอทํานาเสร็จเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งก็มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะขนย้ายไปได้นั่นแหละใส่หัวบ้างใส่เกวียนบ้างพลุงพลั ง, ปลงไปแล้วก็ไปหาไปสร้างกระโจมอยู่หาสร้างกระโจมอยู่ก็คอกหมูบ้านเราดีกว่าเยอะเนี่ยนะก็ไปกันในลักษณะนี้แหละ พวกนี้จะไปเรื่อยๆไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยนะก็จากก็จะค่อยๆอพยพย้ายที่เพาะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆและรัฐพิหารเนี่ยมันเป็นรัฐที่เหมือนอีสานมานเรานี่นะมันไม่ค่อยมีน้ําเหมือนกันมันแหลงติด ๆ, ๆกันมาก็บอกมีรัฐเดียวที่ไม่เขาทุกเขาหัวโล้นหมดแล้วก็สังเกตดูนะใช่จริงๆเขาเขาหัวโล้นหมดมีแต่หินนะจะไปเพื่งใบบุญเขาก็ไม่ได้ มันก็เป็นรัฐที่ยากจนกันดานแห้งแรงมากแล้วก็พระครูที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าเป็นรัฐที่คนงู้ที่สุดเข า, าบอกว่าพวกข้าราชาการนี่จะน้อยเต็มทีที่จะไปจากรัฐนี้เหมนกันเว้นไว้แต่ข้าราชาการชั้นต่ตําๆจริงๆจะไปจากรัฐน์นี้มันเป็นรัฐที่ยากจนกันดานแห้งแรงมากมันถ้าใครไปยินเดียเนี่ย น, น่าจะเห็นโอ้ทุกข์สั์นี่เยอะเลยนะใครไม่เห็นโทษของการเกิดนี่ก็ แสดงว่าโอ้โหไม่ธรรมาดากันนะอะไรจะปาลมนั้นเนัองกันนะถ้ากายไปแล้วไม่เห็นทุกเห็นโทษของการเกิดนะกอ่ะนะแล้วก็พันชาวอ่าประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็กลัวนะคนแข็งเนี่ยหนีอพยพมาเมืองไทยเนี่ยกลัวมากเลยเพราะนัสปอร์ตของไทยถ้าแขกเอาได้เนี่ยถือว่ามีค่ามากเห็นไหมันก็บอกว่ากายไปอินเดียก็ระวังหน่อยนะั่งกันเพราะว่ามีค่ามาก ภาษาบอลเนี่ยนะสำหรับของเขาอ่ะนะถ้าเขาจะมาเมืองไทยอันเมืองไทยก็คือขุมทองของอินเดียเลยแหละอันพูดถึงผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะถ้าเกิดในที่ที่มันธุระกันดารเต็มที่เนี่ยจะรู้เลยว่าโทษของการเกิดเนี่ยมันหนักนาะสาหัสจริงๆนั่นนะอันทาแต่ถ้าใครมีบุญมากอ่ะนะเกิดมาไม่ค่อยเดือดร้อนนักเนี่ยนะในสมัยที่มีพระาศาสนานี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะ คือจะทํำยังไงจะได้ขวนขวายศึกษาคําสอนเพราะว่าคําสอนมีอยู่จํากัดเนี่ยนะในบรรดาสิ่งที่ยากทั้งหมดเลยนะในในธรรมะสี่ช่องเป็นข้ออุปมาเนี่ยคือขวามือที่สุดเนี่ยยากที่สุดเลยเกี่ยวกับเรื่องของหนักนะอุบายวางของหนักเนี่ยยากในบรรดารักษาโรคภัยทั้งหมดนะเกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยยากเกี่ยวกับโรคภัยทั้งหมดเนี่ยยานี่ยากเพื่อน เกียวกับเรื่องขาดแคลนอาหารฝนเนี่ยสำคัญมากประเทศไหนถ้าฝนไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลอะไรจะเกิดอย่างอย่างประเทศไทยบางทีก็มีช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นอย่างนี้คือตอนที่เพาะปลูกทานาเนี่ยฝนไม่ตกประชาชนก็โอ้ทุรักทุเลปั๊มน้ำอะไรกันสารพัดวิธีการเพื่อจะให้เพาะปลูกได้ผลพอเพาะปลูกนะ่นลงทุนเต็มที่ดีเยี่ยม เกือบจะเกี่ยวแล้วพรุ่งนี้เกี่ยววันนี้ฝนตกน้ําท่วมนาน้ําท่วมนาเนี่ยก็บอกว่าไอ้ปกติมันไม่เคยมีมันเคยแต่แรงเนี่ยนะเสร็จแล้วนามันก็ไม่ได้เคยวางแผนที่จะได้ไว้พื้นที่เป็นที่ตากข้าวตากอะไรเนี่ยนะไปหาซื้อไม้ไผ่อีกแทนที่จะเกี่ยวให้มันเสร็จเร็วมันกลับเกี่ยวช้าลงกว่าเดิมถ้าต้องรีบเกี่ยวด้วยถ้าเกี่ยวไม่ทนันนะข้าวมันจะจมน้ําอีกนะบอกว่าภาระมันเป็นเอามาก เสร็จแล้วก็บอกว่าข้าวจมน้ำเนี่ยถ้าถ้าเอามาหุงเอามาหุงตอนหลังเนี่ยเก็บเก็บไว้หน่อยแค่เย็นนี่ก็แทบจะทานไม่ได้แล้ะข้าวที่มันสุกจมน้ำอยู่เลยเนี่ย